ยเจลิญพรท่านสาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธามีความเนื่อมใสในพระพุทธศาสนาทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่สกุมภาพันธ์พุทธศักราช 2,550 เป็นวันที่ท่านได้มีความตั้งใจที่จะมาประกอบคุณงามความดีมาทำบุญทำทาน มารักษาศีลมาฟังเทศฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมเพื่อเป็นการพัฒนายกระดับจิตใจให้เจริญก้าวหน้าให้มีความสุขมากยิ่ ง, งขึ้นไปด้วยการฟังธรรมในเบื้องต้นแล้วนำสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปปฏิบัติกับกายวาจาใจของตนอันเป็นเหตุ ที่จะนำมาซึ่งความร่มเย็นเป็นสุขความเจริญก้าวหน้าคนเราจะอยู่ในโลกนี้ได้อย่างร่มเย็นเป็นสุขก็ต้องมีปัญญามีความรู้ทางพระพุทธศาสนาซึ่งต่างกับต่างจากความรู้ทางโลกความรู้ทางโลกแม้จะรู้มากน้อยเพียงไรก็ยังไม่สามารถ ดับความทุกข์ใจได้ไม่เหมือนกับความรู้ทางพุทธศาสนาทางรู้ทางธรรมเป็นความรู้ที่มีไว้เพื่อดับความทุกข์โดยตรงเพราะผู้ที่สอนคือพระบรมศาสดาพระพุทธเจ้าของพวกเราได้ทรงตรัสรู้สัจธรรมความจริงเกี่ยวกับความสุขและความทุกข์ ในตัวของเราสัจธรรมนี้ทรงตัดเรียกว่าอริยสัจสี่มีอยู่เป็นความจริงที่ประเสริฐอยู่4ประการด้วยกันคือเป็นความจริงที่ตายตัวเป็นความจริงที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามการตามเวลาความจริงนี้เป็นจริงอย่างไรในสมัยพระพุทธเจ้าก็จะเป็นจริงอย่างนั้นในสมัยนี้ และจะเป็นจริงกับทุกสัตว์ทุกบุคคลผู้ใดก็ตามถ้ามีดวงจิตมีดวงใจแล้วไม่ว่าจะเป็นมนุษย์เป็นเทพเป็นพรหม <c oughs> หรือจะเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์นรกก็อยู่ภายใต้กฎแห่งความจริงอันนี้ด้วยกันทั้งหมดความจริงทั้งสี่ประการนี้ ก็มีสองส่วนด้วยกันแบ่งเป็นฝ่ายผูกและเป็นฝ่ายแก้ฝ่ายผูกก็มีอยู่สองคือทุกข์และสมุทัยสมุทัยเป็นต้นเหตุของความทุกข์ความทุกข์ก็คือความทุกข์ที่เกิดจากการหลงยึดติดอยู่ในสิ่งต่างๆว่าเป็นเราว่าเป็นของเราเมื่อมีความหลง <c oughs> ก็จะเกิด มีอุปทานเกิดตัณหาซึ่งเป็นสมุทยัยความอยากเป็นต้นเหตุของความทุกข์อยากได้สิ่งนั้นอยากได้สิ่งนี้อยากเป็นสิ่งอยากอยากจะเป็นอย่างนั้นอยากจะเป็นอย่างนี้พอเกิดความอยากก็ไม่มีความสงบใจเมื่อได้มาก็ดีใจแล้วก็อยากมีเพิ่มขึ้นไปถ้าไม่ได้ก็เสียอกเสียใจ มีแต่ความทุกข์ทั้งสองประการเวลาไม่ได้ก็เสียใจเวลาได้มาก็ดีใจอยากจะได้อีกก็ต้องไปหาอีกหาอีกก็ต้อง <c oughs> ถ้าหาไม่ได้ก็ทุกข์อีกถ้าหาได้ก็ดีใจก็หาอีกก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดพระพุทธเจ้าทรงตัดสโลเห็นแล้วว่าวิธี ที่จะดับทุกข์นั้นก็มีเหมือนกันคือมีฝ่ายผูกก็มีฝ่ายแก้ฝ่ายผูกก็คือสมุทัยต้นเหตุของความทุกข์คือความอยากทั้งสามคือความโลภความความอยากในกามความอยากมีอยากเป็นความไม่มีความอยากไม่มีอยากไม่เป็นเมื่อมีความอยากเหล่านี้ก็สร้างความทุกข์ใจขึ้นมาใจอยู่นิ่งเฉยไม่ได้ ต้องเดินนอนกวัดแกวงไปตามความอยาก <c oughs> นี่คือฝ่ายฝ่ายผูกสร้างความทุกข์ให้กับจิตใจฝ่ายแก้นี้พระพุทธเจ้าก็ทรงตัดสู้เห็นว่าเมื่อมีฝ่ายผูกได้ก็มีฝ่ายแก้ได้เหมือนกันฝ่ายแก้นี้เรียกว่านิโรธและมักมักเป็นฝ่ายแก้มักเป็นผู้ดำเนินการ เมื่อมรรคได้ดำเนินการแล้วผลของมรรคก็จะปรากฏขึ้นมาคือนิโรธความดับทุกข์ใจของเราก็มีอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆวันวันหนึ่งก็เดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์แล้วก็เดี๋ยวทุกข์ ก, ก, ก็หายไปจะหายไปด้วยวิธีใดก็อีกเรื่องหนึ่งส่วนใหญ่ไม่ได้หายไปเพราะมรรคส่วนใหญ่หายไปเพราะหนึ่งได้ได้ความได้สมความปรารถนา ความทุกข์นั่นก็หายไปแต่มันจะไม่หายไปนานเดี๋ยวมันก็จะกลับมาอีกเพราะเวลามันได้แล้วมันก็เกิดความดีใจอยากจะได้เพิ่มขึ้นไปอีกก็ต้องทุกข์อีกหรือได้หรือถ้าอยากได้แล้วไม่ได้ก็เกิดความทุกข์อีกแล้วก็ทนทุกข์ไปสักระยะหนึ่งจนกว่ามันจะหมดแรงหายไปเองแล้วก็ไปอยากมาอีก ก็ทุกซ้ำซาอยู่อย่างนี้อยู่ร่ำไปแต่ถ้าใช้มรรคเป็นเครื่องดับทุกข์แล้วมเมื่อดับได้ครั้งหนึ่งแล้วครั้งต่อไปมันก็จะไม่เกิดขึ้นอีกเช่นถ้าเราเห็นว่าความอยากสูบบุหรี่เป็นความทุกข์ทําให้เราอยู่เฉยๆไม่ได้เวลาเราอยากสูบบุหรี่แล้วเราจะรู้สึกอึดอัดใจรู้สึกหลุดกิจใจก็ต้องไปหาบุหรี่มาสูบ พอสู่ไปได้มวลหนึ่งความอิดอัดใจความหงุดหงิดใจนั้นก็สงบตัวไประยะหนึ่งแล้วเดี๋ยวความอยากก็ฟื้นกลับคืนมาใหม่ก็ต้องบุดหิดใจอีกก็ต้องไปหามาสู่อีกมันก็จะเป็นวงจรอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดแต่ถ้าเราใช้มากคือสติปัญญาพิจารณาเห็นว่ามันเป็นวงจรอุบาทมันไม่ได้เป็นการ ให้ความสุขไม่ได้เป็นการกำจัดความทุกข์เราก็ต้องแก้มันด้วยการถอนสมทุทัยคือความอยากที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์ถ้าเราถอนความอยากออกไปได้ทุกครั้งที่เราอยากจะสูบบุหรี่เราก็ฝืนเราก็อดเราก็ทนไว้ปล่อยให้มันห <c oughs> ุนหยดใจไปสักระยะหนึ่งพอผ่านไปแล้วความอยากนั้นก็จะเบาลงไป ทั้งต่อไปเมื่อเกิดความอยากอีกถ้าเราไม่ทําตามความอยากอีกมันก็จะเบาลงไปเรื่อยๆเบาลงไปเรื่อยๆจนในที่สุด <c oughs> มันก็จะหายไปเองแล้วมันก็จะไม่เกิดความอยากตามมาอีกต่อไปแล้วหลังจากนั้นแล้วเห็นบุหรีก็จะไม่มีความรู้สึกอะไรกับบุหรีอีกต่อไปเพราะหนึ่งเห็นโทษของมันสอง ไ ด, ได้ฝืนมันแล้วได้ฝืนความอยากที่จะสุมันแล้วเมื่อฝืนได้แล้วด้วยปัญญาที่เห็นว่ามันเป็นโทษมันเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขก็จะสามารถดับความอยากบุรีได้อย่างถาวร น, นี่คือวิธีแก้หรือแก้ทุกข์หรือดับทุกข์ด้วยมรรคมรรคนี่คือสติปัญญาเป็นหัวหอก และได้รับการสนับสนุนด้วยสมาธิด้วยศีลด้วยทานถ้าเราทําบุญทําทานแล้วเรารักษาศีลแล้วก็นั่งสมาธิทําจิตใจให้สงบให้นิ่งได้เวลาเราเห็นอะไรเป็นโทษเช่นเห็นการสูบบุหรี่เป็นโทษเราก็จะหยุดสูบได้แต่ที่เรายังหยุดสูบกันไม่ได้ทั้งๆ ท, ที่เราก็รู้ว่ามันเป็นโทษ เพราะใจเราไม่มีกำลังไม่มีสมาธิเราก็ต้องฝึกสมาธิกันต้องทําจิตใจให้สงบให้นิ่งไม่ให้ไปคิดอะไรให้ได้ทําจิตใจให้นิ่งเฉยๆให้อยู่เฉยๆได้เป็นเวลาอันยาวนานส่วนใหญ่คนเรานี้จะอยู่เฉยๆไม่ได้กันให้นั่งนิ่งๆสักหนาทีสิบนาทีก็รู้สึกอึดอัดใจแล้วต้องหาสิ่งนั้นมาทําหาสิ่งนี้มาทํา ให้นั่งเฉยๆไม่ให้คิดอะไรไม่ให้พูดไม่ให้อ่านไม่ให้ดูไม่ให้ฟังอะไรจะรู้สึกหงุดหยิดใจขึ้นมาทันทีเพราะใจไม่เป็นสมาธิใจไม่ตั้งมั่นเมื่อไม่มีใจใจไม่มีสมาธิแล้วจะหยุดการกระทําของใจก็หยุดยากจะหยุดตัณหาความอยากก็หยุดยากเพราะตัณหาความอยากก็เป็นการกระทําของใจนั่นเองน เพราะฉะนั้นเราต้องมีทั้งสองส่วนที่จะช่วยการกำจัดความอยากต่างๆเกิดต้องมีปัญญาให้รู้เห็นว่าความอยากนั้นเป็นโทษไม่ได้เป็นสุขไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นเป็นทุกข์ไม่ได้เป็นสุขไม่ได้เป็นคุณไม่มีประโยชน์อะไรอยากจะได้อะไรมามากน้อยเพียงไรได้มาแล้วมันก็ไม่มีความหมายอะไรทามันก็อยากจะได้ อย่างอื่นขึ้นมาอีกเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีความอิ่มไม่มีความพอถ้าเราเห็นด้วยปัญญาว่าเป็นอย่างนั้นเราก็ต้องพยายามที่จะหยุดมันให้ได้ที่จะหยุดมันให้ได้ก็ต้องมีเครื่องมือเครื่องมือที่จะช่วยหยุดตัณหาความอยากนอกจากปัญญาแล้วก็คือสมาธินี่เอง เราฟังเทศฟังธรรมกันเรารู้ว่าอะไรอะไรไม่ดีแต่เรายังเลิกไม่ได้เพราะเราไม่มีกำลังที่จะเลิกมันนั่นเองเราจึงต้องมาสร้างกำลังใจให้เกิดขึ้นวิธีสร้างกำลังใจก็คือวิธีฝึกนั่งสมาธินี่เองต้องฝึกทำจิตใจให้สงบให้นิ่งไม่ให้ไปคิดเรื่องราวต่างๆวิธีฝึกก็ในเบื้องต้น ถ้าให้กำหนดบริกรรมพุทโธพุทโธไปแล้วไม่สามารถอยู่กับการบริกรรมพุทโธไ ด, ได้ก็ให้ลองมาสวดมนต์ไปก่อนสวดมนต์ไปภายในใจไม่ต้องออกเสียงนั่งคัสมะทัขาข า, ขาขวาทับ <c oughs> ขวาทับขวาซ้ายมือขวาวางไว้บนมือซ้ายตั้งตัวให้ตรงหลับตา แล้วก็สวดมนต์ไปภายในใจสวดมนต์ที่เราจําได้จะสั้นหรือจะยาวก็ไม่สำคัญจะบทไหนก็ได้ก็ให้เราใช้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจเท่านั้นให้เราสวดซ้ำไปแล้วซ้ำอีกซ้ำอยู่เรื่อยๆเพื่อ <ๆ S 1> เพื่อที่จะจะได้ไม่ไปคิดเรื่องราวต่างๆถ้าใจเราเผลอไปคิดเรื่องอะไรเราก็ต้องดึงมันกลับมามาบทสวดมนต์สวดไปเรื่อยๆ จนกระทั่งรู้สึกว่าสงบหรือสบายหรืออยากจะหยุดสวดก็ลองหยุดดูว่าจะไปคิดเรื่องอะไรหรือเปล่าถ้ายัางคิดอยู่ก็ลองบริกรรมคำว่าพุโทโธพุธโทโธไปต่อก็ได้เพื่อจะได้ไม่ให้ไปคิดเป้าหมายของการทำสมาธิก็คือจะต้องการทาจิตให้รวมลงเป็นหนึ่งเป็นเอกตารุมการรวมลงของจิตนี้จะ เป็นการเหมือนกับตกหลุมตกบอ่อตกเหวเวลาจิตมันรวมลงนี่มันจะวูบลงไปแล้วมันก็จะนิ่งสงบจะไม่รับรู้เรื่องราวต่างๆที่มาทางตาหูจมูกลิ้นกายหรือใจจะตั้งอยู่ในความสงบ ม, มีมีความสุขมีปิติมีความอิม่มมีความพอมีอุเบกขาความวางเฉย ถ้าเราสามารถทําจิตใจให้ไปถึงจุดนั้นได้แล้วเวลาที่เราพิจารณาอะไรต่อไปแล้วเห็นว่าเป็นโทษเป็นทุกข์ไม่มีคุณไม่มีประโยชน์เราก็จะเลิกได้อย่างง่ายได้เช่นเห็นการสูบบุหรีน่นี้มีแต่โทษไม่มีประโยชน์เราก็จะเลิกได้เห็นการเสพสุรายาเมาเป็นโทษเราก็จะเลิกได้เห็นการทำผิดศีลผิดธรรม การฆ่าสัตว์ตัดชีวิตลักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีพูดปดมดเท็ดก็จะเลิกได้จะเป็นผู้ที่ตั้งมั่นอยู่ในศีลห้าจะเป็นผู้ที่รู้ว่าสุขหรือทุกข์นั้นเกิดขึ้นจากการกระทําของเราถ้ากระทําผิดศีลผิดธรรมก็จะนํามาซึ่งความทุกข์และความเสื่อมเสียทั้งหลายก็จะไม่ทําอีกต่อไป นี่คือฐานะของพระโสดาบันผู้ที่สามารถเห็นหลักของกรรมอย่างชัดเจนเห็นว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วแล้วและมีความสามารถที่จะยับยั้งนะครับการกระทำชั่วการกระทำบาปทั้งปวงได้ก็จะบรรลุเป็นพระโสดาบันจะเป็นผู้ที่ไม่หลงยึดไม่ไม่สงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ ว่ามีจริงหรือไม่เพราะาเห็นแล้วพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เกิดขึ้นแล้วในจิตในใจในขณะที่จิตรวมลงเป็นเอกตาลมเห็นความสงบเห็นความสุขที่แท้จริงว่าอยู่ตรงนั้นเองไม่ได้อยู่ที่ตรงไหนไม่ได้อยู่ที่ภายนอกไม่ได้อยู่กับคนใดคนหนึ่งไม่ได้อยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งแต่อยู่ที่ความสงบของจิตใจ และอยู่ที่การละความอยากต่างๆได้นั่นเองนี่ก็จะเป็นอริยะบุคคลขั้นแรกและเมื่อปฏิบัติต่อไปก็จะพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆกําจัดสิ่งต่างๆที่ยังเป็นเครื่องเป็นเหตุที่ทำให้เกิดความทุกข์อยู่ให้หมดไปเมื่อหมดไปแล้วจิตก็จะสะอาดบริสุทธิ์ กลายเป็นพระอารหรันตสตัแลกกลายเป็นพระอารหันต์ขึ้นมาถึงบรรลุถึงพระนิพพานไม่ต้องไปเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปเกิดขึ้นจากการเข้าใจในหลักของความจริงทั้งสี่ประการคือทุกข์สมุทยัยนิโรธมรรคนิเองถ้าใครเข้าใจแล้วว่าทุกข์ในใจนั้นเกิดจากความอยากและ การดับทุกข์ด้วยความสุขในใจก็ <c oughs> เกิดขึ้นจากการ <c oughs> จากการดับความอยากด้วยการปฏิบัติธรรมด้วยการทําบุญให้ทานด้วยการรักษาศีลด้วยการนั่งสมาธิและด้วยการเจริญวิปัสสนาพิจารณาให้เห็นว่าสิ่งต่างๆที่ใจไปหลงอยากไปหลงยึดติดว่า ว่าเป็นเราเป็นของของเราว่าเป็นสุขว่าจีรังถาวร น, นั้นมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นความจริงแล้วมันไม่มีตัวไม่มีตนมันเป็นมันเป็นทุกข์มันไม่จีรังถาวรทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีอยู่นั้นสักวันหนึ่งก็จะต้องหมดไปไม่มีอะไรอยู่กับเราไปตลอดไม่มีอะไรเป็นของเรา ไม่มีอะไรให้ความสุขกับเราได้ไปตลอดพอเราสูญเสียมันไปแล้วมันก็ให้ความทุกข์กับเราเศร้าโศกเสียใจกินไม่ได้นอนไม่หลับ <c oughs> ถ้าเรามีปัญญาเราก็จะปล่อยวางลดละอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในบุคคลในสิ่งต่างๆเมื่อเราปล่อยวางได้แล้วก็เห็นแล้วว่า เขาเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนเขาไม่สามารถให้ความสุขกับเราได้อย่างแท้จริงเขาไม่ใช่เป็นสมบัติของเราไม่ใช่ตัวเราเมื่อเราปล่อยวางแล้วเวลาที่เขาจะเป็นอะไรก็จะไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับเราทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นอย่างนี้ในชีวิตของเราไม่มีอะไรอยู่คงเส้นคงวาอยู่กับเราไปตลอด ทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงไปอยู่เรื่อยๆความสุขก็เปลี่ยนความสุขมีแล้วเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปความทุกข์ก็ตามมาความทุกข์เกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปแล้วความไม่ทุกข์ไม่สุขก็ตามมาสลับกันไปอย่างนี้อยู่เรื่อยๆไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนคนที่ยึดติดกับความสุขเวลาความสุขหมดไปก็จะ เสีย อ, อกเสียใจคนที่ไม่ยึดไม่ติดกับความสุขเวลาความสุขหมดไปก็จะไม่รู้สึกอะไรจะรู้สึกเฉยเฉยดังนั้นวิธีที่เราจะดับ <c oughs> ดับความทุกข์ก็คือเราต้องปล่อยวางเวทนาทั้งสามไม่ว่าจะเป็นสุขหรือเป็นทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกข์ก็ปล่อยให้เขาเป็นไปตามเรื่องของเขา เวลาความสุขมาก็ไม่ต้องไปยินดีไม่ต้องไปยึดไปติดไม่ต้องไปอยากให้มันอยู่กับเราไปตลอดเวลาความทุกข์ปรากฏขึ้นมาก็ไม่ต้องไปรังเกียจมันไม่ต้องไปขับขับไล่สายส่งไม่ต้องไปหาวิธีให้มันดับไปเดี๋ยวมันก็ดับไปเองเหมือนกับความหนาวกับความร้อนมันก็มาแล้วเดี๋ยวมันก็ไปเราไม่ต้องไปทาอะไรแล้วเพียงแต่ ดูแลรักษาใจและกายของเราให้ดีไว้ก็พอกายเวลาเวลาหนาวเราก็หาเสื้อผ้ามาหม่มใจเราก็ทําใจให้ให้เป็นอุบเบกขาปล่อยวางอย่าไปอยากให้มันหายไปเพราะอยากยังไงถ้ามันยังไม่หายมันก็ไม่หายหรือถ้าอยากจะให้มันอยู่อยากยังไงถ้ามันจะหายไป ก็มันก็ไม่สามารถให้มันอยู่ได้ความอยากไม่สามารถไปบังคับให้สิ่งต่างๆเป็นไปตามที่ต้องการได้มีแต่จะสร้างความทุกข์ให้กับใจเท่านั้นทางเดียวก็คือต้องฝึกรับกับสภาพทุกสภาพที่จะเกิดขึ้นกับเราเพราะใจนั้นรับได้กับทุกสิ่งทุกอย่างแต่ใจถูกกิเลสถูกความหลงหลอก ให้ไปเลือกให้ไปยินดีสิ่งนั้นให้ไปรังเกียดสิ่งนี้พอต้องไปสัมผัสกับสิ่งนั้นหรือสิ่งนี้ก็จะเกิดความรักเกิดความชั่งขึ้นมาแล้วก็เกิดปัญหาตามมา <c oughs> <c oughs> เกิดความทุกข์ตามมาเพราะรักอะไรก็อยากจะให้อยู่กับตนไปนานๆอยากจะให้อยู่ไปตลอดก็มีความห่วงมีความกังวล กลัวว่าจะไม่อยู่ไปกับตนไปตลอดแล้วพอไม่ได้อยู่พอต้องจากกันไปก็เศร้าโศกเสียใจร้องห่มร้องไห้เวลาไปสัมผัสกับสิ่งที่ไม่ชอบก็เกิดความรังเกียจเกิดความวุ่นวายใจอยู่เฉยไม่ได้อยากจะให้มันผ่านไปอยากจะให้มันหายไปอยากจะให้มันหมดไปดิ้นรนหาวิธีการต่างๆ ยิ่งพยายามเท่าไหร่ก็ยิ่งเกิดความวุ่นวายใจมากขึ้นไปเท่านั้นถ้าสิ่งที่ต้องการให้มันหายไปนั้นมันไม่ยอมหายไปแต่ถ้าเราทําใจให้เฉยเป็นอูเบกขาในกับทุกสภาพแล้วใจของเราก็จะผ่านทุกสิ่งทุกอย่างไปได้อย่างสบายไม่มีปัญหาอะไรเพราะใจของเรานั้นไม่ว่าเหตุการณ์อะไรจะเลวร้ายขนาดไหน เช่นมีระเบิดนิวเคลียร์ตกลงมามันก็ไม่สามารถทำลายใจได้สิ่งที่ทำลายได้ก็เพียงแต่ข้าวของสิ่งต่างๆหรือร่างกายของเราเท่านั้นที่ระเบิดนิวเคลียร์จะทำลายได้แต่ใจของเรานี้ไม่มีอะไรสามารถทำลายได้ใจของเราเพียงแต่รับรู้เท่านั้นเองรับรู้แล้วก็ผ่านไปสมมติว่าร่างกายนี้หมดไป ใจก็ไม่ได้หมดไปกับร่างกายนี้เช่นเกิดระเบิดนิวเคลียร์ตกลงมาทําให้ร่างกายนี้แหลกสลายกลายเป็นเท่าฐานไปใจก็ไม่ได้แหลกสลายไปกับร่างกายใจก็รู้ว่าร่างกายแตกดับไปเท่านั้นเองถ้ายังมีความหลงมันก็จะพาให้ไปเกิดใหม่ตามบุตรตามกรรมที่ได้ทําไว้ถ้ามีปัญญาครบถ้วนบริบูรณ์เช่น พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันต์ใจก็จะไม่ไปไหนใจก็จะอยู่ในพระนิพพานไปตลอดไม่ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปไม่ต้องไปหลงยินดียินร้ายกับสิ่งต่างๆแล้วก็ไปทุกข์กับสิ่งต่างๆอีกต่อไปเพราะใจไม่ได้หิวไม่ได้อยากใจปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเห็นด้วยปัญญาว่าไม่มีอะไรในโลกนี้ที่น่า ย, ยึดติด น่ายินดีน่าเอามาครอบครองเป็นสมบัติเพราะมีแต่ความทุกข์ทั้งนั้นด้วยธรรมชาติของทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ล้วนเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นเองคือไม่เที่ยง<ม>เป็นทุกข์ไม่มีตัวไม่มีตน ไ, ไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเรานี่เป็นสิ่งที่เราควรจะศึกษาอยู่เรื่อยๆแล้วก็ฝึกทำทำใจปล่อยวางด้วยการ ฝึกทำสมาธิไหว้พระสวดมนต์เช้าเย็นนั่งทำสมาธิต่อไปทำให้ได้มากๆทำให้ได้นั่งให้ได้นา น, านๆให้สงบให้นิ่งให้เย็นให้สบายแล้วใจจะปล่อยวางงสิ่งต่างๆได้ไม่ต้องออกไปเที่ยวที่นั่นที่นี่ไม่ต้องไปดูหนังฟังเพลงไม่ต้องไปหาเพื่อน ไม่ต้องไปเล่นไม่ต้องไปทำอะไรให้เสียเวลาสิ่งต่างๆที่เราทำกันอยู่ทุกวันนี้มันไม่ได้ช่วยจิตใจเราให้มีความทุกข์น้อยลงเลยแต่กลับสร้างความทุกข์ให้มีมากยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆโดยที่เราไม่รู้สึกตัวเพราะเรามีความหลงเป็นผู้ผาไปเราจึงต้องเข้าหาพราะธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่เรื่อยๆอย่างน้อยอาทิตย์หนึ่งก็ต้องควรจะเข้าวัดสักครั้งหนึ่ง นี่เป็นอย่างน้อยแต่ถ้าจะดีแล้วควรจะฟังเทศฟังธรรมกันทุกวันเลยไม่ได้ฟังเทศฟังธรรมที่วัดก็ควรจะฟังกันที่บ้านใช้เวลาตอนเช้ามืดตื่นแต่เช้าหน่อยสมมุติเคยตื่นเวลากี่โมงแล้วก็ตื่นเช้ากว่า น, นั้นอีกสักชั่วโมงหนึ่งนอนแต่หัวค่ำนอนก่อนสักชั่วโมงหนึ่งอย่าไปเสียดายพวกละครทางโทรทัศน์หรือทากิจกรรมอะไรต่างๆ ที่ไร้สาระเอาเวลามานอนดีกว่าเพื่อเราจะได้ตื่นแต่เช้าก่อนเวลาที่เราเคยตื่นสักชั่วโมงหรือสองชั่วโมงแล้วเอาเวลานั้นมาไหว้พระสวดมนต์มานั่งทาสมาธิแล้วก็เปิดธรรมะฝังหรืออ่านหนังสือธรรมะถ้าเราทําอย่างนี้ได้ทุกวันแล้วเวลาเราออกไปข้างนอกไปทํางานทําการจิตใจของเราจะมีมี เครื่องคุ้มครองรักษาไม่ให้ทุกข์ไม่ให้วุ่นวายใจให้มีความร่มเย็นเตนสุขไม่ว่าจะไปประสบกับเหตุการณ์อะไรต่างๆใจจะมีภูมิคุ้มกันจะมีธรรมะเพราะใจจะรู้ว่าชีวิตเป็นอย่างนี้ไม่มีความรู้สึกวุ่นวายใจกับสิ่งต่างๆเพราะไม่ได้หวังอะไรนั่นเองถ้าเราไม่มีธรรมะแล้วเรามักจะหวัง คิดอยากจะทำอย่างนั้นคิดอยากจะได้อย่างนี้ก็หวังว่ามันจะเป็นไปตามที่เราเราหวังไว้อยากไว้แต่พอมันไม่ได้เป็นไปตามที่เราคาดไว้เราก็วุ่นวายใจเนี่ยแต่ถ้าเรามีธรรมะแล้วเราจะไปแบบว่างๆคือไม่ได้ตั้งความหวงังไม่ได้ตั้งความอยากไว้ทำไปตามหน้าที่เท่านั้นเอง เรามีหน้าที่ต้องทามาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเราก็ทำไปด้วยความซื่อสัตย์สุดจริตด้วยความขยันหมั่นเพียรด้วยสติด้วยปัญญาหามาได้มากน้อยเพียงไรก็พอใจกับที่หามาได้แล้วก็ใช้ไปในกรอบของสิ่งที่เราหามาได้ชีวิตของเราก็ไม่ไม่มีความวุ่นวายใจกับอะไรแม้ จะออกไปแล้วจะหาอะไรมาไม่ได้เลยก็ไม่เป็นไรเพราเป็นเรื่องปกติบางวันก็หาได้บางวันก็หาไม่ได้อย่างนี้ไม่ถือว่าเป็นเรื่องร้ายแรงอะไรหรือจะหาไม่ได้เลยก็ไม่เป็นไรอย่างมากก็แค่ตายคนเราเกิดมาทุกคนวันหนึ่งมันก็ต้องตายด้วยกันทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นมหาเศรษฐีเป็นมหากสัต หรือจะเป็นยาจบคนขอทานมันก็เป็นเหมือนกันสักวันหนึ่งชีวิตก็ต้องจบเส้นลงไปเหมือนกันแต่เวลาที่เราอยู่นั่นจะอยู่กันอย่างไหนทานนั่นเองจะอยู่ด้วยการผูกมัดด้วยการสร้างความทุกข์คือมีแต่ความอยากต่างๆหรือว่าเราจะอยู่แบบแบบไม่แบบไม่มีความทุกข์ อยู่ด้วยการเจริญสติปัญญาด้วยการเจริญมรรคทำบุญทำทานรักษาศินนั่งทำสมาธิเจริญปัญญาฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยๆนี่คือการอยู่ของคนเรามีอยู่สองทางเลือกอยู่แล้วก็วุ่นวายใจกับความอยากความต้องการต่างๆหรืออยู่แล้วก็ปล่อยวางกับสิ่งต่างๆยินดีตามมีตามเกิด ได้อะไรมาก็พอใจกับสิ่งที่ได้มาไม่ว่าจะดีหรือจะช่วยอย่างไรก็รับรู้มันไปเท่านั้นเองวันนี้มีคนมาขโมยข้าวของไปเมื่อมันขโมยไปแล้วจะทาอย่างไรได้จะมาร้องห่มร้องไห้เสียอกเสียใจมันก็ไม่ได้ของคืนมาเสียอย่างเดียวก็เสียของก็พอแล้วอย่าไปเสียใจรักษาใจไว้ทำใจให้เป็นปกติ ด้วยปัญญาว่าไม่มีอะไรที่แท้แน่นอนมีมามีไปเป็นธรรมดาสักวันหนึ่งทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีก็จะต้องจากเราไปเพราะเราจ้องจากมันไปอยู่ดีนั่นเองแล้วเราจะไปเสียดายอะไรกับของแค่นี้เองนี่คือปัญญาขอให้เราจเจริญอยู่เรื่อยๆทุกเช้าก่อนที่เราจะออกจากบ้านถ้าเรามีเวลาปฏิบัติกิจทางจิตใจสักชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วเราจะมี เครื่องคุ้มครองจิตใจของเราให้ทำนอนชีวิตไปได้อย่างเสนอราบรื่นมีแต่ความสุขท่ามกลางความวุ่นวายท่ามกลางความเสียหายต่างๆที่จะเกิดขึ้นจิตใจของเราไม่ได้เสียหายไม่ได้วุ่นวายไปกับอะไรเพราะจิตใจเราไม่ได้ไม่เสียกับอะไรนั่นเองอย่าไปคิดว่าเราได้เพราะสิ่งที่เราได้มาก็เพียงแต่รับรู้ไว้ใจก็เพียงแต่รับรู้ไว้เท่านั้นว่ามีเท่านั้นมีเท่านี้ แต่จะให้มันอยู่กับใจไปตลอดได้หรือไม่ไม่ได้เพราะสักวันหนึ่งใจก็ต้องเดินทางต่อไปหรือสักวันหนึ่งสิ่งที่ได้มามันก็ต้องหมดไปขอให้เราศึกษาธรรมะศึกษาชีวิตของเราด้วยธรรมะคาสอนของพระพุทธเจ้ามองอะไรให้มองในแนวของไตรลักษณ์เสมอมองเห็นถึงความไม่เที่ยงมองเห็นถึงความทุกข์มองเห็นถึง ความไม่มีตัวตนไม่มีอะไรเป็นของของเราถ้าเราเห็นอยู่อย่างนี้เรื่อยๆแล้วอุปทานความยึดมั่นถือมั่นก็จะไม่สามารถเกิดขึ้นมาได้ความอยากต่างๆก็จะไม่เกิดขึ้นมาได้เมื่อไม่มีความอยากไม่มีอุปทานแล้วความทุกข์ต่างๆก็จะไม่เกิดขึ้นมาความทุกข์ของเรานั้นเกิดจากความหลงที่ทำให้เกิดอุปทานความยึดมั่น ที่ทำให้เกิดความอยากตัณหาขึ้นมาเท่านั้นเองดังนั้นเราจึงต้องเจริญปัญญาอยู่เรื่อยๆอย่างน้อยวันก็ตอนเช้าตื่นมาก่อนจะออกจากบ้านก็ให้เราร ถ, ถึงปัญญาอนิจจังทุกขังอนัตตาไว้แล้วก็ฝึกทำจิตใจให้สงบนิ่งเพื่อจะได้รับกับสภาพของสิ่งต่างๆเวลามันเกิดขึ้นถ้าเราทาใจให้นิ่งเฉยได้แล้วจะไม่มีปัญหาเลย ไม่มีอะไรจะมาทาให้ใจของเราทุกข์ได้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามจึงอยากจะให้ท่านได้ใช้เวลาของชีวิตให้มีประโยชน์อย่าใช้ไปกับเรื่องไร้สาระเรื่องการเสพความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผดสพ้ ภ, ภต่างๆสิ่งเหล่านั้นมันจะฉุดจะลากให้เราลงสู่กองทุกข์เข้าสู่กองทุกข์มันไม่ได้ฉุดลากให้เราออกไป เราอย่าไปเห็นว่ามันเป็นความสุขเราต้องเห็นว่าการตื่นแต่เช้ามืดเพื่อมานั่งสมาธิมาไหว้พระสวดมนต์มาเจริญปัญญาแล้วก็ดําเนินชีวิตด้วยความขยันหมั่นเพียรด้วยความซื่อสัตย์สุจริตด้วยความเมตตาด้วยความเสียสละว่าเป็นการดําเนินวิถีทางที่ถูกต้องที่จะนํามาซึ่งความสุขและความเจริญความไร้ความไร้ความทุกข์ทั้งหลาย